อายุเพิ่อดัปเพิ่มได้ตราุเป็เดก็คหลวงพ่อนครับ้เขารบอย่างเพื่อห้คุณพ่อของรามอเฉยด้สบายมาเข้าฝันสองวันร้อนร้อนวายังไม่ตาเรา้ทรคาที่พิเศแล้วอหลนะอเรื่อย เป็นประเดนหารเลยต้องรูว่านี่ท่านมาเข้าฝันให้ประสมรากคือสองฝันตอนตอนีนนแ้แสดงว่าท่านยังไม่ได้มีโอกาสไปเกิดในภพคนอื่นใ ห, นะห้ไปขอรับแลกกระผมควรจะทำบุญทำบุญผอกตโดนหนักหลาพขอท่ า, น, น, น, านจะได้มีโอกาสไปเกิดขึ้นเขาข อ, ขอรับมาเข้าฝันนี่แสดงว่าเกิดแล้วนะ แต่เป็นคนก็เกิดเป็นสัตว์ก็เกิดเป็เกิดก็เกิดถ้าสุดทตายก็เกิดเป็นเดรัจฉานังฟัเกิดเนงก็เกิดทุเกิดทั้งหมดที่เกิดเฉพาะคนคำว่าเกิดเป็หมายถึงว่าท่านไปเกิดแล้วแต่ว่าไม่ใช่คนมาบอกว่าใน้องเจี๊ยบไปเกิดฟังเขาะบายต้องทานนึกอ่าอ้ที่สงสัยก็ตออยางเลย กขึ้มาเข้าฝน่านี้แสดงว่ายังไม่้เกิดหรือว่าหลวงพ่อขอว่าพระผมจะทุทำบุญโนจากลายเพื่อจะได้ให้ท่านไปเกิดในที่ดีที่พร่่่่่่ว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่ เรียกลวงพ่อที่เคารพอย่า ง, งสูง็ต้องท้องมาติดผ่านมาลูกบันถึงตมุทลูกที่บา้านของลก A, ูลกเองได้หล่นมาแต่หักไปสององค์แสดงว่าการปฏิบัติธรรมของลกูกย่ อ, อย่อนไปหรือว่าควนจะต้องตำแสบไหนหรือว่าลกูกมีเพราะกรรมที่บาปอย่างไรขอหลวงพ่อได้ชี้แนะ และหาวิธีแก้ไขให้ลูกเป็จแบบเดิมอ่ม่ทำอะไไม่เกียวเลยแั้วันป่ะไม่เห็นนอนไันอผมไม่เห็นนอนนะไม่เกียวเลยนไม่ไม่เกี่ยวกันกี่เลยไม่กก็ไม่ต้องแก่ บาดเจ็บก็จะเกิดปวดปวดทุกปีปวอะไรปวดร้าายก็ติดใช่ใช่ใช่ใช่ไม่แน่นะตาขอแ่ตงก็เป็นสองสาแล้วครับแล้ครานี้ก็สอาแล้วครับล้วรรยาายปีที่ผ่านมาสมองได้ทำสมาธิตอนใหม่ๆเนี่ยจะมีความรู้สึกตือนตรงว่กก็โรคจิตเ่มจากสงคล้ายๆกับลักษณะตนตั ปรากฏว่ามีภาพคนหนึ่งภาพข้าวของมีอาการเหมือนสมองทำงานผิดาดมีการตคงาวในในที่หัวนั่นด้วยนั่นที่ลูกเรียนการาก็คือว่าอาทิตย์ประมาณกายไวที่ลูกเห็นในขณะอารมณ์โยนอย่างนั้นไม่ทราบว่าจริงจริงของเครื่องมีนาหรือประวัติสติหรีอเปล่าเพราะไม่เห็นแต่เบอร์นุ๊ก ไม่ใช่ครับมีนิทัมนดาเยนนิทัมนดาได้อำนาจนานอะไรไม่ได้แล้วอุตสาหสังหารที่ไหนใช่ใช่ไม่ใช่คิดปู่ยาน สางเช้าเก็ร่องโงกระมพันเอกกระเตยไอ้ท <c oughs> ุก้องท่าเราเนี่ยขอขาด่องโหลวพ่อยๆดังต่อไปนี้โอ้รกวนนะรบกวนเลกรื่องหรือว่าขณะนี้คี่ว่าเนี่ยเขืเพมเรือตอนเสร็จใา้ใตัวไม่รู้ไปยังไงเพราะผมว่าอ้เนี้ไม่ถามแต่ที่จะถามคือว่าเจ้ากรมหวงหมอนั่งทางไหมันบอกว่าอาจจะเป็นภาษาของคงพิพาก ทำไม่ถูกต้องผมก็เลยถามในที่จะถามก็คือว่าอย่างนี้ยังไม่ถามไล่ฟังหน่อยไม่ได้มาเล่าใล้ฟังใช่ใช่จเข้ไปอย่างนั้นก็ถูกต้องที่จะถามก็คือว่าพระองค์ท่านจะให้ทอดตับคน ที่เป็นเจบบ้าองวาดได้หรือไม่เพราะผมตราบมาว่าเทวนาแปลว่าพวกมันเกิดจกไม่ให้โทษต่อใครมีแตให้สุนตัหรือว่ากระผมมีปัญหที่นี่ไปทำไมบางขอก็ ไ, ไ, ไปแก้เลยครับไปหาไปศึกษาไปแก้เลยสบายไปเรียนไปเริยนต้พันเองแล้วเอาไปเรียนกันนะก <c oughs> ็ะุพ ต, ต้อไม่ให้เทิใครเป็นแค่ว่าเรจทำเทิดตัวเอง พระผู้เป็นเบญจเวฬุนานะเบญจเวฬุนาไม่เกิดไม่ได้ถ้าเกิดต้องเจตติเรื่องจิตใจพระมาเกิดขึ้นในเรื่องของเราเองนักตะล็อกว่าตัหมาพายและพ่นตัวใจก็ทะเลาะกันเองด้คยัไงอ่อแล้วผมจะมาทะเลาะด้วยหรอต้องโมาจะมาดดเาใช่ขอเจริเาต่อไปเอะโอ้หเตังเ เวลาบรีก็โทษประภูมินการยิงคุณล้ออะไรบ่อยที่ดีนะมัน้ได้ยังไงครับหมายว่าจะทะเลาะนปัญญาตัดเสียงมากลหนๆเราเราอธิบายเป็นปัญญาบารมีการเลาใช่แ้วเป็นคติบารมีด้วยปัญญาบารมีต้องคิดเลแต่ใจมน้าทะละกยังได้ไหมพี่ก้จะไปั้ใช่ ตีดายเลที่าจะด่าแม่แต่ว่าจะด่าไหนคิ้นนี้ก่อนโอยแบบนี้อะไรเป็นยาเบากำลางไม่ไดาเขาตีกรณีต้องอดทนทนด่าให้นานท่มากโอ้โหเหื่อยทั้งวันขอ้ยฝันเหรอยัเอาออ่านีของบัานเลยอ๋อนีงก็ได้ตของไปดีนะไปันนี้ก็มีด้วยนะครับ อาต่ออะไรว่าอะไรลูกสาวโมเดลตัพ่อจะา้องจำตัวนี้ลกนี่เริ่มกสุ้มใจน่องปัดแกับผมาจระทัดราตองเ่าจุดประทัดเขาเล่าจรัชกาลแล้วยังไม่พอแม้ได้ผูกอาพาธพยบาทคว่ารัชจะไม่ยอมบีเลยรจะต้องเล่นง <alles S 1> านแทนก็ว่าจริก็ไม่กลัวหรอกตมันกใจ ว่าถ้าโดนไม้นี้จริงๆแล้วจะแค่ไขอย่างไรก็เลยวิ่งหาหลวงอเพื่อให้หลวงพ่อช่วยแก้ไขเพราะมีเหตุการณ์เล่นเกิดขึ้นจะต่อไปนี้หนึ่งหนโเดาเดาเดาวดาเดินในขณะที่พอลูกนอนกำเริบจะเห็นเงาดำๆมีแค่เสกเสกเดียวเสกเดียวมาปรากฏลูกก็เลยวิ่งตัวใหญ่ ปาขอร้องว่าลุงพ่อช่วยด้วยลุงพ่อชยด้วยแต่มองดูลูกภาแล้วลูกปาลุงพ่อกระเฉดทีเห็นตุ่มติ่งมันเ้วยเ่อปราเริดีกว่าจะมีทางแนะนำก็หายตัวจากมันไม่จำเป็นต้งเชื่อขึ้นมาขึ้นเดียวกระเอดยังไงยังไงก็ยัไงยังไงตาขาเดียวแขนเดียวอ่ะยนก็ได้ะยืนไม่ติได้ใจก็ปล่อยมันปล่อยมันน ถ้าเดิมแล้วนับยังม่เคยหรือเปล่าล่ะนับปีเลยใช่ไหมไปนี่แล้วก็าใ่ผ้เนียอมาว่าสามกติกสามกติกสามนี้ขำเลยถาหลว่ารัฐชาติร่วมกันร่กันก่อนน้อยวันน้อยว่าสามกติกสามนี้ะสาครั้งนังกันนะใส่ผ้าเปิดสัมกติกสามนี้ เปนะสัมปติสาม่ามวามนทหาก็แค่เขาสัมปติสานี่นั่นเองครัดโออ้โอ้อยนี้ต่อไปก็อมัดตัวเลคตหารงหมุดเลยได้แต่ดจได้มะไปยกกลลุ่มยกยกมากเแล้วเรียว่าขตองมีระยหางในตัวที่ทหาก็เป็นะ ไม่ต้อมาแต่แป๊บเดียวได้อ้แล้วเกล็ชอบนเลี้ยงปุ้งกันแล้วพวกเด็กจะไปเลี้ยงอยู่ตรงตรงเดียเราลุกโบราณกันหมดเลยเดที่นี่นะตอบรถบำนานได้นะเป็นคนบอก่อนมีคนขอกตำนานในตอนนี้ถ้าเราว่าตายหลวงพอมีคนรับชมโซลูในคนโบราณเก่ากเลยว่าเทวีว่าที่ล่าเว่า ป้าตาณัตเขาเป็นโคกอดการสมบูรณีถวายเขตปานปฏิรูปพิจารศึกษาเ็เรียบร้อยแล้วแสบว่าคิ้เฮ้สไม่เ๋บอกติดปกติเลยไหที่จะบ่นคนั้นัแสบดว่าถ้าใครจะต่อนะที่วาจะแก้แล้วแว่าเลได้ไดู้กพิดว่าคิดอย่างนี้ว่า ลกจะถวายหลวงพ่อหนึ่งพันบาทเป็นการสมทบกู้ทวดเวลานักเรียนสี่ทวดอะไรบทบทสิทธิ์นะบทสทธิความบทสิทธกวัตตาคมอย่างนี้พระสยามเทวาธีราชจะโอเคหรือเปล่าจะรักให้ฉันไม่ไหวแต่ท่านผมไม่ยอมไม่ได้ตัวเทดาสิ่งที่พูดไม่ได้ก็ใช้เวาในปกติเขาบอก เขาลบลบนอกหลพ่อยู่แล้วเขาต้องเกใจก่อนใจทำไมอ่ะได้เขาเใจไม่เกใจเดินโอมีเบียทีพารมันก็ไม่ยากอะไรเงี้ยในแค่สมาทานถึงแปดตีเตีงอะไรก็ได้เขาไม่เหงาไม่จเป็นต้องายไเมื่อไใช่ใช่แค่ไอ้เรื่องาไป็เรื่องนึงว่า ไปมานตระหกตระหนกนะแไม่่าจะใ่้องใส่ทุกขาุกอยาไปที่เให้นั่งภาวนาเสือไปนั่งทะลาะกันนม่นเป็นปัญญาบาลีอ้โหาต้ปงานทะลาะกันมีปญาณใช่ใช่ราะลกต้องาอะไรดีอะไรดีแต่ได้หลบลูกูกลูกม่มันติบาลมีตัวเสร็จ ไม่เสียเลยนะวัดไทยแล้วเป็นอะไรขม่าบารมีอีตอนนั้นไม่มีความว่าเกิดขึ้นทำลายราคะได้เลยไม่ทีใทีหมดมันออะไรทะาทไปได้เรานะไม่ได้ไปตำไม่ได้เทคนี้จะไปลบไปตัดไป เอาเพียงนี้ก็ตอบไว่าพูดไวอย่างไรต้องบเลื่าเรื่อยๆมาเรืยไม่ได้ไม่ได้แน่นอนมันต้องเคยปรากฏมาแล้วนะมีตัวอย่างมีตัวอย่างเยอะแยะไปโอ้โอเจไม่อยกพ่อเาราเงไ้รอง้เงยะไรปเิด้อ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาา่าาา ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งตอนนั้นฉันอยู่วับกระทของเท่านะไปเชื่อเป็นสองปีเจอโดยเพื่อนเามาจับไว้ทำงานนี้สำเร็จจะบมดทีสวายสามเดือนทำงานนั้นสาเร็จจะ้เรื่องจะจ้างคนในบทแทนจะด้บทขวเหวมาสามปีทำมาหาสนเพี้ยน่รู้เรื่องก็หายแสนแรกก็กระเอ องคพ่อตร่หนักอยากส้างกขึ้นมาเราว่ามันบนไว้แต่มันติดเห็ดยามันเจ้าใเนั้เองมนยอมไม่ได้ไอ้ที่็นปวดหัวได้เพาะเาตัดใช่พอจุดทีวองไม่เจดืดหายทันทีแล้วก็ต้องมเลยอนนี้ก็อะไรแบ่าทก็ไปทนั้นจองไปทนั้นนะถ้าปวดไม่ได้แต่ลัทธเดี่ก็ถพ่อสิกองค์ว่าถผมยังไงยังไงก็จะบริษัทงานที่น่าให้ดีนะ เดียจะเข้าตำราแบบว่าก็พ่า่คนอะไรหรือเปล่าแบบัใจใใเียนี้ตรงนี้อ่าอันนี้ในรูปลาอาทานฝากใ้เอ่อลองพมาหาหลวงพ่อหลวงพ่เจาหาั้งตอนร้อนว่ามีงูมันคลอนันหลอนคว่าเดการเกิดขึ้นอือพะลุเกมาเป็นอันตรายมอย่างว่าเรื่อนี้ก็ําอีกแล้วแต่ว่า ในฐานะที่ลูกเป็นชาวอุโมนอยู่ฝั่งใต้ก็เว่ามันจะมีปรยแก่หรือมีอันตรายเกิดขึ้นลูกเขา่ยินด่ลแกอาลกรกแ้เป็นลูกแกเลูกแกแล้วลก็จะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้ลูกควรจะเตรียมตัวอย่างไร ถ้าหาก็จะเอาตุ๊กงใจพ่อคือว่าถ้าส่งไปพรเดชธรรมมัจะได้ข้าวจันทร์ในนิตัได้ได้ได้ได้ได้ตรงยนนะเอาไปเลยได้ได้ไม่เท่ายังไว้เหมือนนมาผมกทงานไปตู้ได้คุไม่ได้เอาพี่ที่คุณพานะในด้านด้านหนึ่งคราเขาอายเกมานะเกย์มือข้าใหนื้ตในผลเดียว แคบกไปบกมาขอไม่หลุดกาลังไมคือข้างๆแล้วทำหนุใจเหลือล้านบ้เดียวแต่สุดหมายพิเศษนะก็จต่อมาตัวเองไปเองก็่บางท่านเยาว์เยอะมันถือพยานคนเดียวโอ้โอเองไม่จะแพ้ไม่อยากกลอกเลยนะไม่หยุดแพ้เลยหลุกใจตีใจแย่หลอกก่ลอกอกเลยอานาวาคใ้กันหลายต้อง ควรจะเอาท่าันแต่ก็ต้องตอบได้แต่ของวัดท่ากุ่มือของสบายลรือหู่บ้านของวัตัวหนึ่งเขาไม้มีาแล้วก็สมัยหม่บานมนกันมีรุ่นร่กันแต่ี่แต่เขาไม่ได้ทองไม่ได้เนาะนะควมสมาราพยัญกออกเป็นนแค่ขอสบายใจได้แล้วไม่ต้องไปเต็มตัวอะไรแล้วไม่เชือมลองดูมาได้นะคล้อยใจมั่นคงแล้วคนนะ ที we ่าอยากโผล่แผมวันไม่ด <laughs> ีเลยครับผมฝันว่าหลวงพ่อแปลงตัวเป็นฆราวาสนุงกระเกงเหมือนผมเรียบให้ฆราวาสรูปหนุ่มกระเงเลยใช่ใช่ใชครับแต่ว่าหลวงพ่อได้เดินทางมาสอน็่าธมสตร์แต่ผมคิดตรงนี้ครับว่า การที่หลวงพ่อแต่ทคุณกรว่าเขสอนกรรมฐานขกงเผมนะอาจจะเป็นเพราะว่ากระผมทาอารมณ์ต่ำจนไปไม่สามารถที่จะเห็นตึัของหลพ่อได้ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใจก็ไม่ทราบไปยกปมใสกันหนึ่งว่าให้แน่ใจว่าหลวงพ่อจะหมดระบบหรือเปลงสัยจะได้เจอใคม่กัน อยู่ตัวสั้นย m ง n ด้ยังไม่เออเออเออเออเออเเเเอเอเเเเเอเ สันไม่ลยก็สั่นใช่ไหมาันวาสึกก็ไม่รู้สึกมาแจ้งสั่นในหน่วยงานศาลที่ส็งใช่ไันก็ว่าสึกถ้าแจ้งจอมันก็ละวาเนี่ยสึกเรียบร้อยดีแล้วถ้รู้สึกันกเสียใจเพราะสึกเจอมนาเอาควาื่อยู่เราจะหาเขาปานต้องต้อสึกไหมท่านบก่าเจ้ว่าไงเจ้าจะเข้าโบจะบือด ทำยังไงดูใจได้ยังไงอี่ย่เาอะไรตอ้เข้าไปดูดีนเข้าไปสาองสามขึ้นมง้ยาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่่่่าาาาาาา ไอ้ผู้สามคนหั้หแข็งผู้ชายไม่ได้ที่รักแต่ดาวผู้ชายไม่ไม้ที่ริแต่ไม่ได้บอกว่าพอผู้ชายผู้ชายไม่ผู้ชายใครรักนะแต่รักมากไม่ไปเอาหันไอ้จะไม่ถายยันถ้าบอกไอสองคนนี้เพื่อนทั้งสองคนข้าสุดคำสามึงต้องเข้าป่าห้ามเข้าเมืองไอ้ก็ต่ายันตายถามว่าข้อไหนครับ เพราะว่ามันชอบเลยย่นในปัญญาจนนับยืนหน้าคนไม่ได้จนมาไอเองี่ย้ายี่ยิบปัญญาได้ออกจากวัดแต่ถืออยู่ในวัดไม่ได้ดีถ้าย้ายสถานที่จะ อ, ออกจีเกียงกัไม่วา่าถ้กกาไปยี่ยิบปัญญาเขาป่วน่ะจอดจากวัดอ๋อที่ออกก็ปพราะป่ว ย, ยนะป่วยป่วยไม่เลยไม่เข้าไปเลยจีเกียงก็ไม่ว่าลาออกจิ่ท่านาเขาก็ให้ออก พอใออกก็แต่ตั้งมาใหม่สนเป็นาเขาไปเขเาคนไปแต่งตั้งมาเอวอเขาไม่มาด้วยมีใาด้อัให้ออกแตงตั้งใหม่เฮไปกล่าวว่าล้มสามคุณเป็นีเลยโอ้บอกว่า <c oughs> กาลยิพษาแล้วใหออกตั้งวาเช่าจดบัตรไปก็อยู่ในบัตเป็นอย่าเดมากแล้วแรตัต้งระดีเอาจดมาแล้วนะก็ะมาอยู่เป็นเพื่อเป็นคักเลยทั้ ง, งไปอยู่ที่เถ น, นาศไม่มีภาระก็ได้ผล ต, ตรง น, นี้ได้ผลตรงที่ต้อไม่มีภาระไม่มีภาระอื่นกนะ็ <c oughs> ไม่เป็นว่าิดก็แต่มาเมื่อเมื่อ ก็ใหญ่ผลตามท่านต้องการนะอาล้างก็เกิดให้ยพ่อใหญ่ตามไมว่าท่านส่งแต่ให้ทราบห่อใหญ่ที่ว่าท่านเนี่ยที่คือพระเจ้าเมรังนะเลยเมาังขึ้นมาถ้าตามไม่ว่าแกจะน้องชายฉันควรจะเคยทันรับไม่ให้เจริญเมื่อรวมแล้วสงฆ์สมัยจะนี้มันจะหมดแล้วถ้าเดยวทาใหม่ก็ยังเดนตามเดิม ให้การเริเรีนเป็นไม้ตองกุศลใช่หมใอ่ทีนี้เริ่มเรียนไม่อิจฉาติปูแล้วที่วัดแห่งนี้หลวพ่อเคยมีเกี่ยวโยงน้าบีมันคบอกว่าที่ผมบอกนะถ้าไปช่วยสร้างเปช่วยสร้างเป็นพราชาเนอะเป็นพ่อทัพโอ้ยแต่ทัพคุณผู้หญิงโอ่อะไ่ใช่ทุกทายว่เป็นพระทัพเปพ่อทัพเดินทัพผ่านไป เห็นว่าตนไม่เจอเมืองเรืองเพว่าครั้งแรกก็ไปหลวงพ่อกันเพื่อขึ้นไปมาจะหายเก่าเป็นพญานะเจ้าว่าเขาไม่เก่งนะโต้โต้เก่งแต่เศษถ้ายังข้าสีแดงหนังเหนียวแกจะหันแกหันลงบันทีเห็นว่าตนประสิทธิ์แต่เมื่อเวลาจะเดินพักที่ไหนก็ต้องไปพที่ไหนท่านไปสุดก็เทิดท่าให้ดงเลยขึ้นมา ก้ามาสมัยที่สองวาระหนึ่งเท่านั้นเนียเรไปอ่านว่าที่ในสมัยที่สามถ้าบอกว่าตอนไหนจะจะเลยเกิดเลยว่ามาท า, ามีอนุสอนอันนี้ก็ไม่ใช้เร<ม>่อง่ใหญ่ดิผลเด็ดัวมาเองเลยลนยนี้น่งไมออกปบัตินะครับใช่ถ้หมดล้วคือนผมื่อยจโอสูาว่าททิ้งืน อ, งอนต อ, อ, อ, อ, อน่ตัจะม า, างมแ้ว่าให้ทำทิ้งทวนนั่นหมายคาว่า คนทุกคนคเป็นลูกหลานทั้งหมดเกิดไปหน้าถ้าเราเออเยต้องเกิดอะไรที่เขาว่าไม่มีเยอะไานทุกคนจะมีทุกอย่างตามที่ต้องการแ่ลตครา้หาไม่เกิดก็้กว่านิพาก็ว่าไปก็สมักันนะแต่บางคนก็ยังอ่อนยือยไปิานไม่ได้ไอสได้ทำเกิดไปทุกอย่างต้องเีหมด แล้วที่วิศน์ไปทําทิต so, uh, um ัวรนะงานก่อสร้างที่จะทิตัวรเชียต่อบริบูรณ์หรือยังหรือยังยังเฉลี่ยมาเกินอยู่แล้วเก่านี้เก่าอย่างว่าทั้งายนี่หวจะมาแล้วแล้วทิศยาสร้างนั้นถ้าสร้างพังเดิน่าจะเริดนะสร้างวิหารนั่ก็โอ้โหผลเกิดเพราะเหตุการสร้างมุติเล็กๆเอยนิดหน่อยก็เกิดท่านบอกยา ใจจำได้มันจฉจันสั่งในสองปีที่วอันมาถามได้เลยไหมครับในสอ2ปีจะเดินไปดูบวเชเรี่ไหมเล่าพอใจครับฉันอยากให้รู้ราคาของคามันเป็นไม้มันจะผูกต่อใบไม้มันจะแพงมากพระจะลาบากใครทำในคนดิบเทียเพื่ทำในคอบิดแล้วก็ติดทองหมดติดทางยันฐานบาตรทำไมปิดจระจบ ทำให่ทำไหวได้ก็บอกต่างหยนหาเองโน่นเลยบอกว่าการจิตทำมันหมองรมนะครับแต่ถ้าบอกไม่เกี่ยวเราต้องการอนิสงส์เหมือนคนขายของขายของใหม่ๆหย่างเดเก่าหรือตอนเขาช่างเขาอะไรก็าขายแล้วไปแล้วแต่ทีเราเสร็จอนิสงส์ไม่เกิดแล้วสบายอย่างนั้นต้องการให้ทุกคนมีทุกอย่างถ้าบางอย่จะต้องเกิด จะยุคก็จะถึงถ e ah. oh. de ึงหมดเยมันเยอ่เยอะแยะจะแยะตีก็อนที่หลวงพ่อว anyway. ่าอะไร้าวรอย่ย่ดูาร no ้อยีั่นมันตีก็ยู่งจะข้าวร้อยอยู่แล้วเจ้าหลวงพ่ออยู่ข้าวรอยนะาบตะวายโผล่ลาบก่อนไม่นน้ตายไม่ได้อ้องตายกี่หลังฉันดันไม่้องไตายคุณจะ้ด้วยนะ อเดี๋ยวซีนี้ขึ้นไปจั้นลนดสั้นไมเห็นแก่อม่ให้ตายไม่ให้จนท่านมาดูเรื่อยๆจะสนไรแต่แค่ให้จนหดตายแอย่า้ะคอนะคืนนีอย่าลืมแท็ก่อนสั้นหลายๆซีนได้ไหมแต่ให้ดูติดต่อตลอดยุคหริงรั้นวันนะใช่ ้ okay. ตอนไหนเวลาไหนเวลาเวลานอนได้นอนทางารรมฐานตอนนั้นนะพอจิตมงบปต๊บเห็นพระเดชทุกองไปทำอยนางหมดทุกอย่างแล้วนะได้ด้วยไปเจอข้างตัวถึงนิพพานข้างตัวมีอุบาเยอะบินบินยอะแยะกลับมาแล้วไปได้เ้วยไปบไปถึงดาวดินก็ไหว้ทำไปรวมกันก็ปฏิการเสร็จแล้วกลับพอเข้าจะเข้าบ้านพอเข้าบ้านปั๊บ เขดี๋ยวเขาบอกเอ้าเร่มแข่งเริ่มแข่งเป็นแสงงมาคุมลูกหลานเริ่มลุ้นบ้างไม่ลุ้นบ้งหลับบ้างทำอะไรก็อะไรเใ็นบ้างไม่เป็นบ้างนั่งดูข้อสอบอะไรไม่สนใจทำอะไรทำนองนี้ทำอะไรไม่สนใจไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวเราต้องการอย่างเดียวคือแ่่างเดย่ต่อนนะ่อสนใจหอมน่ารักพวกหลานก็มีควอตัวแต่ต่างนะอ๋อตางอน้ประสาทของคุณลกพ่องลูกหลานนะขอข้อใจตลอดคอยดูเอยุ่หมาดเวลาแล้วนะยังยังแล้วขอแถมยิ่งว่าลราพ่อเจ้าา วันใสยันสอบเล็กดีวันกระดอกเคาะใหญ่ก็ดีในตอนนั้นน่ะลูกก็ไปแน่ใจว่าจะไปได้หรือไปไม่ได้แต่เจตนาสิ่งตั้งใจจะไปโดยที่เจริญฝากถามลูกหน้าไว้หนุ่มพูหากว่าลูกไปไม่ได้หรือเลยในขณนะที่หรางพอกลังทำพิธีขอบารมีลหลวงพ่อที่ช่วยหลงพ่ อ, อ, อลูกด้วยนะถ้าไปนนลูกจะไม่ละหลวงพ่อ ถ้าถ้าลืมน่นไม่ีผลนะต้องตั้งใจครับถ้าไม่ไปก็นั่งหน้าพุทธรูกไปที่ไหนก็ได้ตั้งใจภาวนาพุทโธเส้ยเวลาเสียคหมาสิเจญนะแค่ได้อ๋อบอกว่าเอาเวลาวัาท่าเป็นใช่ใช่ครับเจ้าปกาศไว้ปโมงเ้ารอบแรกบ่ายขงโมงรอบสองบ่าย4โมงรอบสาม แล้วก็สุภาพก็ไม่มีอะไรบายหกโมงตื่นยุติพรวันนี้ก็มีความเกิดตอนเรื่องสุกาพอาล้วาดศึกษาสุภาพเเป็นคนสามารถสงบเป็นการแต่งานระาสามารถเป็ะอย่างมากโดยเฉพาะห้าเรื่องามีแตครออะไรไม่ได้เลยท่านบอกว่าเป็นขอสัสิ่ช่วยเหลือมาทุกอย่างมีประการ แต่เท่าทุ่มในกหลอกลอเขก็ปารของเพื่อนวกนักใ่ก็ไ้ป็นเองโยโยมคราวนึงท่านมีโอกาสไปารเทคือเทศจี่านเปนักร้องเพลงท่านก็ไปร้องเรแล้วหมอถามว่าคุณมีลูกกี่คนป้าบอกว่ายังไม่มีลูกเลยขอมารอมหลอกสามเดือนาให้ท่านมาให้ทานเพื่อจะตรวจสอบมีอะไรขับข้องบ้างคุณป้าท่าเลยคงจะติดปาก ผมอย่าตกใจมากผมก็รอนันไม่ได้ใส่บาปนไม่ตกใจมาเขียนใจอย่างมากคิดว่าฟ้าลอยฟ้คูหน้าโง่ม่รู้แล้วแล้มาถามหลวงพอให้ช่วยแนะนำว่าจะทำยังไงเจ้าคะแล่วผมก็ไปแล้วเจ้าคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ใจไม่ประสความากเร็จจะไรนะโอ้อะไร บรกว่าอไม่รู้นะถเป็นอะไรจได้อ๋อต้องมองเรื่องนี้ไม่เป็นไรหรอกเมราะอะไรไม่ได้ไมได้มากแต่สมมติว่าถ้าเราจะเป็นต้องเป็นยอดส้วมถ้าให้พอพระถ้าให้คอยอยู่ก็ไม่เป็นไรมันจำเป็นตาต้องส้วมเราข้างล่างข้านล่างแต่ยอดส้วมยังมีแคกโค้งอย่างเหมือนถ้ามันจำเป็นต้องไปก็ไม่เป็นไรไม่เสื่อมอันนี้ที่มักเสือมหมายว่า เฉพระของวรดท่าดุมเป็นวัดทั่วอ้ทั่วไปพระเพีย่วไปถ้าเขาเปนประสาทเขเื่อถ้าเขาประสาไม่เสือมอต่พระที่ให้กรณีที่ว่า้พออะไรผออส้อยอะไรว่าหน้าโนรมดีมีทหารเราไปงานต่างานดอกไม้เข้าโทนะบตอว่าห้าเน่ยนะได้อ่นี่ผมมีนี่ถึงแล้วเมื่อสีทีานมา ใส่ทอสีบาทสี่พเื่อนเด็กตะพงตอนน้หน้าเคื่อนออกมาพระเขาใส่ไปแล้วพระบาเพื่อหนีไปนี่แหละไม่รู้ตาหมาตาเรืก็เป็นด้วยหลักการโบรนี่แหละเขรู้เลยนะจบนะจบ